วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7กุมภาพัน ธ, ธ์พุทธศักราช2564เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ท่านอาจจะไม่รู้มาก่อนหรือเรื่องที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วถ้าได้ยินได้ฟังซ้าอีกหลายๆครั้งก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปเป็นลำดับ จะสามารถช่วยให้ท่านกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆในเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้นี้ให้หายไปได้ทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องทำให้จิตใจสงบผ่องใสนี่คือประโยชน์ที่ จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมคํว่าธรรมนี่ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงทั้งหมดเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีคำโกหกอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย เวลาฟังธรรมแล้วเราจะไม่ต้องสงสัยเชื่อได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดทรงรู้แล้วทรงนำเอามาเผยเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรานี้เป็นความจริงที่มีอยู่ตลอดเวลาธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอากาลิโกตลอดเวลา เป็นความจริงตลอดเวลาถึงแม้เวลาจะผ่านไปถึง 2,500 กว่าปีมาแล้วก็ตามแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสอนพวกเรานี้ยังเป็นความจริงอยู่ไม่ได้เลือนไม่ได้เลือนไม่ได้จางหายไปไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องของพวกเราเองนี่แหละ เป็นเรื่องที่พวกเรานี้ยังไม่รู้จริงว่าเรานี้เป็นใครกันแน่แล้วเรามาทำอะไรกันอยู่ในโลกนี้กัน <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็จะสงสัยว่าหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว เราจะไปเราจะไปไหนต่อไปเราจะไปกับร่างกายหรือว่าเราจะไปเป็นดวงวิญญาณเหมือนเหมือนกับที่เราได้ยินได้ฟังมาตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านบอกว่าพวกเรานี้เป็นดวงจิตดวงวิญญาณไม่ได้เป็นร่างกายเราขณะนี้ มาเชื่อมต่อกับร่างกายเรามาเกิดในโลกของมนุษย์ที่มีร่างกายอาการสามสบสองนี้คือมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆนี่เราเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่มาเชื่อมด้วยกระแสของวิญญาณวิญญาณที่เราเรียกว่าวิญญาณในขันห้า วิญญาณในขันห้านี้ก็มีอยู่ห้ากระแสด้วยกันห้าเส้นด้วยกันที่มาเชื่อมกับตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐารับรูปรูปเวลารูปมาสัมผัสกับตาดวงวิญญาณหรือกระแสวิญญาณ ทางตานี้ที่เรียกว่าจาักขูวิญญาณก็จะส่งรูปนี้มาที่ใจมาที่ผู้รู้ผู้คิดเราอยู่ที่ผู้รู้ผู้คิดเราเป็นผู้รู้ผู้คิดพอตาเห็นรูปใจก็รู้ขึ้นมาว่าตอนนี้เห็นรูปพอหูสัมผัสกับเสียงใจก็รู้ขึ้นมาว่าตอนนี้มีเสียงเกิดขึ้นมา น, นี่คือความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายชั่วคราวเพราะว่าร่างกายของพวกเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็จะเจริญเติบโตไปจนถึงขีดสูงสุด หลังจากนั้นก็จะเริ่มเสื่อมลงไปพอถึงครึ่งทางอายุประมาณห้าสิบนี่ร่างกายก็จะเริ่มนับถอยหลังความจเจริญก็จะหายไปมีแต่ความเสื่อมตามมาแก่ลงไปความเสื่อมก็คือความชราหรือความแก่ของร่างกายนี้เองร่างกายก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆ แล้วก็จะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเพราะอาวัยวะต่างๆของร่างกายเริ่มชํารุดทุดโทรมก็เลยทําให้เกิดมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆขึ้นมาจนกระทั่งเมื่อร่างกายไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ร่างกายก็จะแยกตัว คือสิ่งที่มารวมตัวกันเป็นร่างกายนี้คือธาตุทั้งสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวให้เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพอร่างกายหยุดหายใจธาตุทั้งสี่ก็จะแยกตัวออกจากกันธาตุไฟไปก่อนธาตุลมธาตุไฟก็คือความร้อนของร่างกาย เวลาไปจับตัวคนตายจะรู้สึกว่าเย็ยนไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อุ่นเหมือนกับร่างกายของคนเป็นนั่นเพราะว่าธาตุไฟเริ่มแยกออกจากร่างกายไปก่อนธาตุลมก็คือกลิ่นที่ระเหยออกมาจากร่างกายก็จะระเหยออกมาเรื่อยๆตามด้วยธาตุน้ำแล้วในที่สุดร่างกายก็จะแห้งกรอบ กลายเป็นธาตุดินไปเหลือแต่ดินนี่คือเรื่องของร่างกายของพวกเราที่พวกเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นจิตวิญญาณมาเกาะติดการที่เรามาเกาะติดกับร่างกายก็เพราะเราชอบหาความสุขกันชอบหาความสุขผ่านทาง ตาหูจมูกริ้มกายเราชอบดูชอบฟังชอบลิ้มรสชอบดงกลิ่นชอบสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเราเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัเราก็จะมีความสุขถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบที่ถูกใจเรา แล้วก็อาจจะเกิดความทุกข์เพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่ได้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบอย่างเดียวมีรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบด้วยพอเราสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบเราก็ไม่สบายใจเรียกว่าทุกข์ใจเราก็พยายามที่จะเลือกไปพยายามหนี รูปเสียงกิจลดผลิตภัณที่เราไม่ชอบแล้วพยายามหารูปเสียงกีจลดที่เราชอบกันถ้าเราทำได้เราก็มีความสุขแต่บางเวลาเราก็เลือกไม่ได้บางทีถูกบังคับให้ต้องอยู่กับรูปเสียงกีจลดที่เราไม่ชอบตอนนั้นเราก็จะมีความทุกข์กัน แต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับความทุกข์เหล่านี้ก็ทำได้ก็เพียงแต่พยายามหนีมันหรือพยายามกําจัดมันถ้าเจอรูปเสียงกิดโน๊ตที่ไม่ชอบถ้ากําจัดได้ก็กําจัดได้ยินเสียงไม่ชอบก็ปิดถ้าเป็นเสียงมาจากเครื่องวิทยุโทรศัพท์หรืออะไรพามันให้ความลำคาญหูเราลำคาญใจเราก็ปิดมันได้ แต่บางทีถ้าไปเจอเสียงของคนที่เขาพูดแล้วเราไปปิดปากเขาไม่ได้ห้ามปากเขาไม่ได้ตอนนั้นเราก็จะทุกข์ใจถ้าเราไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ปัญหาของความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้เราแก้ได้ถ้าเราเจอคนฉลาดอย่างพ่อพุทธเจ้าที่รู้วิธีที่จะแก้ความทุกข์ใจ เวลาที่เราต้องเจอกับรูปเสียงกดลดิ่นรสผดทพะทที่เราไม่ชอบนี่คือประโยชน์ของธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีแก้ความทุกข์ใจเวลาที่เรามาเจอกับรูปเสียงกดลิ่นรสผดพะทิศชนิดที่เราไม่ชอบกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเราคือใจพวกเรานี้เป็นจิตใจไม่ใช่เป็นร่างกายนี่คือความเห็นที่ถูกต้องถ้าไปคิดว่าเราเป็นร่างกายนี้เป็นนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ผิดเหมือนคนสมัยโบราณนีที่ไปเห็นว่าโลกนี้แบนอันนี้เป็นความเห็นที่ผิด เพราะความจริงนี้โลกนี้มันกลมเราสามารถนั่งเรือออกไปให้สุดขอบฟ้าสุดขอบทะเลแล้วจะรับประกันจะไม่ตกออกนอกโลกนี้ไปเพราะว่าโลกนี้ไม่เป็นเหมือนโต๊ะที่พอไปถึงขอบโต๊ะแล้วก็จะตกออกจากโต๊ะลงไปโลกนี้มันกลมต่อให้นั่งเรือหรือเดินไปให้ไกลขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่ไปถึงสุดขอบฟ้าเพราะมันโค้งเว้าไปเรื่อยๆถ้าเดินไปหรือนั่งเรือไปนานๆมันก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราคนสมัยก่อนเข้าถึงพิสูจนได้ว่าโลกนี้มันกลมเพราะเขานั่งเรือออกไปในทะเลจากตั้งไปตั้งเข็มทิศไปทางทิศตะวันออก ทิ่ตะวันตกแล้วเขาก็นั่งเรือไปเรื่อยๆนั่งไปจนกระทั่งในที่สุดก็กลับมาเจอที่จุดเขาเริ่มต้นเขาก็เลยเห็นว่าโลกนี้มันกลมไม่ได้แปดพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าใช้วิธีปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าภาวนาเจริญจิตตภาวนา สมถภาวนาวิปั ส, สนาภาวนาก็สามารถเห็นความแยกแยกตัวของดวงจิตดวงวิญญาณออกจากร่างกายเวลาจิตเข้าสู่สมาธิจิตเข้าสู่ความสงบนี้จิตได้แยกตัวออกจากร่างกายชั่วคราวจิตได้เข้าไปอยู่ในโลกของของดวงวิญญาณเราเรียกว่าโลกทิพย์ ส่วนโลกของร่างกายนี้เราเรียกว่าโลกกับธาตุนะร่างกายที่เราอยู่นี่อยู่กับธาตุสี่ทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยเป็นธาตุทั้งนั้นเป็นธาตุดินบ้างเป็นธาตุน้ำบ้างเป็นธาตุลมบ้างเป็นธาตุไฟบ้างบางทีก็เป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่เช่นร่างกายของพวกเรา แล้วก็ร่างกายของสัตว์ทั้งหลายมีธาตุทั้งสี่มารวมตัวกันมาผสมปรุงแต่งให้เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกับเวลาที่เราทําขนมชนิดต่างๆนี่เราก็เอาอะไรมาทําขนมกันเอาแป้งเอาน้ำตาลเอานมเอาของต่างๆมาผสมกันแล้วเราก็ทําขนมชนิดต่างๆได้ จะทําขนมจีนขนมไทยขนมฝรั่งก็อาศัยพวกแป้งพวกพวกน้ําตาลพวกอะไรต่างๆเหล่านี้มาผสมกันแล้วก็ใช้ไฟใช้ไฟอบบ้างใช้ไฟต้มบ้างแล้วก็ทําให้เกิดเป็นขนมชนิดต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เกิดจากการรวมตัว ของผสมกันของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยเช่นต้นไม้เนี่ยใบหญ้าต่างๆนี้ต้องมีดินใช่ไหมต้องมีน้ำใช่ต้องมีความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็ต้องมีอากาศถ้าไม่มีอากาศต้นไม้ก็ตายอย่าไปคิดว่าต้นไม้นี่ไม่หายใจนะต้นไม้นี้ก็หายใจ ถ้าไม่เชื่อเราเอาต้นไม้ไปเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีอากาศดูเลยให้น้ำให้แสงแดดให้อะไรกัมันแต่มันจะตายเพราะถ้าไม่มีอากาศมันขาดธาตุาลมอากาศก็คือธาตุลมโลกนี้เราจรึงเรียกว่าโลกกธาตุเวลาเราได้ยินพระท่านพูดว่าโลกกธาตุนี้ท่านหมายถึงโลกที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้าลมไฟ ซึ mm ่งเป็นเป็นโลกที่มีมนุษย์และเดรัจฉานอยู่สัตว์เดรัจฉานที่ดวงวิญญาณของพวกเรามาเกาะติดได้ทำไมดวงวิญญาณเราไม่ไปเกาะติดกับต้นไม้ก็เพราะว่าต้นไม้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายต้นไม้จึงไม่มีดวงวิญญาณไปเกาะติดอยู่ต้นไม้จึงไม่มีความรับรู้อะไร ใครไปตัดต้นไม้ใครไปทำอะไรต้นไม้ต้นไม้ไม่ร้องแต่เวลาใครมาตัดแขนตัดขาของเรานี่ร่างกายของเรานี้เราจะร้องขึ้นมาทันทีเพราะเราคือธาตุรู้เป็นผู้รับรู้ความเจ็บของร่างกายเราก็เลยร้องกันขึ้นมาว่าปวดเจ็บทรมานอะไรต่างๆเหล่านี้ นี่คือเรื่องของจิตใจที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าธาตุรู้จิตใจคือธาตุรู้มารวมกับธาตุทั้งสีมาเกาะติดกับมาเชื่อมติดกันไม่ได้รวมกันจิตใจเพียงแต่มาเกาะมาใช้กระแสดวงวิญญาณมาเชื่อมกระแสวิญญาณที่รับรูปรูปเสียงกลิ่นรส ผลทพะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้ารู้หรือดวงวิญญาณของเรานี้มีความอยากที่เรียกว่ากามตันหากามตันหานี้คือความอยากเสพกามมะุนห้ากามนี้คือกามมะขุนห้าคืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัส เราเรียกวา็ผดทัพะสัมผัสที่สัมผัสด้วยร่างกายเช่นความร้อนความเย็นความแข็งความนุ่มของสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับร่างกายเราเรียกว่าผดทัพะใจคือท่ารู้ของพวกเราเนี้หรือเราเนี่มีความอยากเสพอยากหาความสุขจาก กามคุณทั้งห้านี้เพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้เสพกามคุณนี้เราจะรู้สึกหงุดหงิดเวลาถูกขังอยู่ในคุกนี่หงุดหงิดนะเวลาถูกขังอยู่ในบ้านช่วงที่มีโควิดนี่ไม่สามารถที่จะออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปชอปปิง้งไปตามคาเฟ่ตามร้านอาหารไปตามลงภาพยนตร์ลงมหาลศ ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพอเราไม่ได้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสเราก็มีความรู้สึกหงุดหง็ดไม่มีความสุขกันนี่คือโทษของการมีความอยากที่จะเสพกามเสบรูปเสียงกลิ่นรสเวลาไม่ได้เสพมันจะหงุดหง็ดมันจะทุกข์แล้วถ้าไม่ได้เสพมากๆนานๆมันก็จะทรมานจนบางครั้ง บางคนอาจจะทนไม่ไหวก็คิดฆ่าตัวตายกันสาเหตุที่คนเราฆ่าตัวตายกันก็เพราะไม่สามารถเสบรูปเสียงกลิ่นลดโพธิภพชนิดต่างๆที่เคยเสบได้นั่นเองเช่นคนเคยมีเงินมีทองเคยใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆ เกิดล้มละลายขึ้นมาหมดเนื้อหมดตัวขึ้นมาไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อความสุขต่างๆก็ไม่รู้จะอยู่ได้อย่างไรอยู่ก็มีแต่ความเศร้ามีแต่ความทุกข์ก็คิดว่าค่าตัวตายดีกว่าจะได้พ้นทุกข์ได้แต่การฆ่าตัวตายนี้ก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกเพราะว่าร่างกายไม่เป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ น่างกายไม่รู้อีหนูอยเนี่ยน่างกายเขาก็เป็นเหมือนต้นไม้อยู่ดีๆพอใจไม่เราไม่สบายก็เลยไปตัดต้นไม้ทิ้งอย่างนี้เพราะมันขวางหูขวางตาเราแต่มันไม่ได้ไปแก้ปัญหาเราเพราะว่าเดี๋ยวก็มีต้นอื่นมาให้เราเห็นขวางหูขวางตาอีกตัวที่เราจะต้องแก้ก็คือตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเรา ถ้ายะฆ่าต้องฆ่าความอยากความอยากนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับพวกเราดูคนที่เขาไม่มีความอยากทำไมเขาอยู่ได้พวกพระเนี่ยพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนี้ท่านไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองท่านไม่มีเงินที่จะไปซื้อความสุขชนิดต่างๆทา ง, ทา ง, ทางตาหูจมูกนิ้นกายแต่ทำไมท่านอยู่ได้ท่านทำไมมีความสุขได้ ก็เพราะว่าท่านระ ง, งับความอยากท่านฆ่าความอยากท่านไม่ต้องไปฆ่าร่างกายให้เสียเวลาฆ่าร่างกายก็ไม่ได้แก้ปัญหาพพอร่างกายตายไปดวงวิญญาณของเราที่ยังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกาย mm. ก็จะไปหาร่างกายร่างใหม่อีกต่อไปนั่นเองแล้วก็มาเกิดใหม่มาหาความสุขแบบที่หากันอยู่นี้ และถ้าเกิดมีอุปสรรคเกิดมีภาวะที่ทำให้เราไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราก็จะคิดฆ่าตัวตายเป็นวิธีที่เราคิดว่าจะทำให้เราหนีจากความทุกข์ทรมานใจได้แต่ฆ่าร่างกายตายไปแล้วความทุกข์ทรมานใจก็ยังอยู่ในใจอยู่ เพราะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันก็ยังมีอยู่ในใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี้ใจของพวกเราคือดวงวิญญาณหรือธาตุรูนีไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะอยู่ในสภาพของกายทิพย์อยู่ในโลกทิพย์ใจของพวกเรานี้ ต่อไปพอไม่มีร่างกายแล้วเราก็จะไปอยู่ในโลกทิพย์กันโลกทิพย์นี้ก็เป็นเหมือนโลกของความฝันนี่เองเวลาเราน อ, นอนหลับนี้เราก็ไม่มีร่างกายชั่วข้าวเวลาที่เราน อ, นอนหลับนี้เราปล่อยให้ร่างกายพักผ่อนไม่ทำอะไรแต่ใจของเรานี่ยังมีความหิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ ใจของเราก็เลยใช้มโนภาพสร้างรูปเสียงกลิ่นลดขึ้นมาที่เป็นความฝันนีเ่เวลาเรานอนหลับแล้วเรายังไปเที่ยวต่อร่างกายไปไม่ได้คนไหนอยากไปเที่ยวก็ไปต่อด้วยมโนภาพใจนี้สามารถสร้างมโนภาพต่างๆได้เวลาที่เราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝัน เราคิดว่าเรากำลังตื่นกำลังทำอะไรกับเหตุการณ์ที่เรากำลังฝันอยู่เราจะมารู้ว่าเราฝันก็ต่อเมื่อเราตื่นขึ้นมาฝันว่าโอ้เมื่อกี้นี้ฝันดีได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่หรือฝันร้ายไปเจอเหตุการณ์วุ่นวายใจต่างๆอันนี้เป็นสภาพของจิตใจในขณะที่ไม่มีร่างกาย ในขณะที่ไม่ได้ใช้ร่างกายจิตใจก็จะอยู่กับความฝันชนิดต่างๆแล้วความฝันชนิดต่างๆนี้ก็เกิดจากอะไรทำไมจึงมีความฝันชนิดต่างๆผู้ที่ผลักดันให้จิตสร้างมโนภาพที่มีมโนภาพที่ต่างกันมโนภาพที่ดีบ้างฝันดีบ้างฝันร้อยบ้างนี่คืออะไร ก็คือบุญกับบาปที่เราได้ทำกันไว้นี้เองเวลาที่เราทำบุญนี้เราจะไปบันทึกภาพที่ดีเวลาทำบุญเราจะรู้สึกมีความสุขเราทำความดีเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นความดีเหล่านี้ภาพของการทำความดีเหล่านี้มันจะฝังไว้ในใจของเราใจเรามนะีมีความสามารถที่จะระลึกรู้ ที่จะจดจำอะไรต่างๆได้ถึงแม้บางครั้งเราอาจจะลืมก็ตามแต่มันไม่หายไปจากใจของเราบางบางทีมันจะมาโผล่ขึ้นตอนที่เรานอนหลับขึ้นเช่นเดียวกับถ้าเราไปทำบาปทำกรรมไปมีเรื่องมีราวไปทะเลาะวิวาทไปทำร้ายกัน <c oughs> ก็มีแต่ความทุกข์ความเครียดกันอันนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ในใจของเรา ใจของเรานี่เป็นเหมือนเครื่อง <c oughs> เครื่องบันทึกเหตุการณ์ต่างๆทุกวันนี้ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาแล้วเราไปทำอะไรต่างๆนี้เราก็เรามีเครื่องบันทึกอยู่นะมันจะบันทึกอยู่ในใจของเราเรื่องดีมันก็บันทึกไว้เรื่องไม่ดีมันก็บันทึกเอาไว้เรื่องดีเราก็เรียกว่าบุญนะเรื่องไม่ดีเราก็เรียกว่าบาปนะแล้วเวลาที่เรานอนหลับเนี่ย เรื่องที่ดีกับไม่ดีมันก็จะแข่งกันแค่ว่าเรื่องไหนมีกำลังมากกว่าเรื่องนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาในมนโนภาพเป็นความฝันให้เราได้สัมผัสรับรู้เราจึงบางทีนอนหลับแล้วก็ฝันร้ายบ้างฝันดีบ้างแล้วแต่ว่าเราทำอะไรกันมากกว่ากัน ถ้าเราทำบาปมากเรามาักจะฝันร้ายมากกว่าฝันดีถ้าเราทำดีมากกว่าทำบาปเราก็จะฝันดีมากกว่าฝันรา้ายเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วเนี่ยบุญกับบาปนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะมาแย่งกันสร้างมโนภาพสร้างสร้างความฝันสร้างโลกความฝันให้กับเราได้ได้อยู่กัน ถ้าบุญเราทำไว้มีมากกว่าบาปเนี่ยบุญก็จะมาสร้างสวรรค์ให้เรานั่นเองสร้างเรื่องราวที่ดีต่างๆให้เราได้เสพได้สัมผัสกันช่วงนั้นเราก็ถือว่าเราได้ไปสวรรค์กันหรือถ้าเราทำบาปไว้มากกว่าทำบุญบุญนา น, านทาทีแต่ทำบาปอยู่เรื่อยๆชอบไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นชอบไปทะเละวิวาชอบไปกัแกล้งคนนั้นคนนี้ ชอไปเบียดเบียนคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยอำนาจของความโลภด้วยความอนาจของความโกรธเราก็สะสมเรื่องราวไม่ดีต่างๆไว้ในใจของเราพอเวลาที่ไม่มีร่างกายนี้ความไม่ดีต่างๆที่เราทำไวน้นี้ถ้ามันมีมากมีแรงมากกว่าความดีที่เราทำไว้มันก็จะมาสร้างเรื่องสร้างเราไม่ดีให้เราฝันน เราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ดีเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ใจวดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ใจนี้พระพุทธเจ้าก็แบ่งไว้เป็นสามประเภทด้วยกันคือหนึ่งเปรตสองปศุลกายสามนารก<ม>แล้วก็แต่ละประเภทนี้มีเหตุที่ทำให้เป็นไปต่างกันพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าทำบาปด้วยความโลภนะอยากได้นูน่นอยากได้นี่แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปหามาได้โดยที่ไม่ไปทำบาปก็ใช้วิธีทำบาปนะเช่นลักทรัพย์บ้างเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างประพฤติผิดประเวณีบ้างนี่ถ้าทำด้วยความโลภความอยากได้ไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นเขาอย่างนีย ที่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเป็นปีนต้นงิ้วนี่อันนี้ก็เป็นมโนภาพที่มันจะเกิดขึ้นต่อไป<ม>พวกที่ไปมียุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นเดี๋ยวก็จะฝันแต่เรื่องปีนต้นงิ้วมีแต่เรื่องเจ็บเจ็บแสบแสบมาคอยอทำลายร่างกายของต น, นท่านบอกว่าถ้าทำบาปด้วยความโลภเนี่ยดวงวิญญาณก็จะเป็นเปรต คือจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยหิวนูน่นหิวนี่ได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วจะรู้สึกอดอยากขาดแคลนอยู่เนื่ยฝันว่าไปตกอยู่ในที่ขาดแคลนต่างๆขาดอาหารบ้างขาดที่อยู่อาศัยบ้างขาดคนที่เราลักคนที่เราชอบบ้างสุดแท้แต่กรรมที่เราไปทําไว้ว่าทําแบบไหนมันก็จะย้อนกลับมาหาเราจะทามาสร้างเรื่อง สร้างความฝันให้เราได้เสพได้สัมผัสกันตอนที่เราไม่มีร่างกายถ้าเราไปทำบาปด้วยความกลัวเรากลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราเราก็ไปทำร้ายเขาก่อนไปกาจัดเขาก่อนเช่นกลัวแมลงก็ไปฆ่าแมลงก่อนกลัวมดก็ไปฆ่ามดก่อนไปกลัวงูก็ไปฆ่างูก่อนเนี<ม>่ยดวงวิญญาณเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความกลัวอยู่เรื่อยๆเหมือนกับตอนที่เรามีชีวิตอยู่ เราก็จะเป็นคนขี้กลัวกลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดแล้วยังไม่พอกลัวอะไรแล้วยังต้องไปทำร้ายเขาอีกไปทำร้ายเขาอีกพอตายไปมันก็จะฝันถึงเรื่องราวเหล่านี้เรื่องของความกลัวต่างๆเรียกว่าอาสูรกายหรือถ้าเรามีเรื่องทําบาปเพราะเรามีความโกรธความมาฆาาพยาบาทโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ก็ต้องไปเบียดเบียนกันไป ทำลายเขาไปกันแกล้งเขาไปทำอะไรต่างเขาก็มาต่อสู้กับเราจองเวรจองกรรมกันเป็นสงครามไปเป็นเรื่องเป็นราวกันตลอดเวลาเราเรียกวิญญาแบบนี้ว่าทารกเนี่ยเพราะมีแต่เรื่องที่รุ่มร้อนหัวใจที่เกิดจากความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทต่างๆนี่คือ เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในใจของเราหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วขอให้เข้าใจว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนที่เราอาจจะคิดกันอาจจะคิดว่านรกเหมือนเป็นเชียงใหม่แล้วก็สวรรค์เป็นกรุงเทพอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสถานที่นะแต่มันเป็นจอภาพยนตร์ในใจเรานี่แหละใจเรานี้เป็นเหมือนจอภาพยนตร์ ที่กำลังฉายภาพยนตร์ที่เกิดจากบาปที่เราได้ทาไว้บาปชนิดต่างๆทาบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะมีแต่เรื่องหิวโหยเรื่องอดอยากขาดแคนต่างๆทาบาปด้วยความกลัวก็จะมีเรื่องหวาดกลัวให้เราคอยวิตกกังวลทาบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะมีแต่ความเครียดแค้นมีแต่ความโกรธเผาใจเราให้รุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลา นี่คือสภาพของดวงวิญญาณของพวกเราเวลาที่ร่างกายที่เรามีอยู่ในขณะนี้มันตายไปในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปเนี่ยบุญมันก็จะเป็นผู้สร้างมนุภาพให้เราได้เสพได้สัมผัสกันก็จะมีแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่ทำให้เรานี้มีความสุข อาจจะฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่ได้ของดีๆต่างๆมากินมาใช้มาดื่มมารับประทานเพราะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ให้ของดีๆคนอื่นเขาใช้ให้เขากินให้เขารับประทานกันพอเราฝันเราก็จะฝันกลับว่ามันกลับมาหาเราให้อะไรเขาไว้อย่างไรมันก็จะกลับมาหาเราอย่างนั้นให้ทุกข์กับเขาทุกข์ก็จะกลับมาหาเรา ให้บาปกับเขาบาปให้ให้บุญกับเขาให้ความสุขกับเขาบุญก็จะกลับมาหาเราเหมือนกับกระจกที่เราส่องหน้าเนี่ยถ้าเรายิ้มให้กระจกมันก็จะยิ้มให้เราใช่ไม้มถ้าเราแยกเขี้ยวใส่มันมันก็แยกเขี้ยกลับมาหาเรานี่คือโลกของดวงวิญญาณโลกทิพที่เราเรียกว่าโลกทิพเนี่ยแบ่งเป็นสองซีกด้วยกัน สีกที่มีความสุขเราก็เรียกว่าสุขติสีก ข, ของพวกที่ทำบุญพวกที่มีบุญมากกว่าบาปก็จะมีแต่เรื่องดีๆปรากฏขึ้นมาในมนโนภาพตอนที่ไม่มีร่างกายก็จะมีแต่เรื่องฝันดีไปเรื่อยๆอีกสีกเราก็เรียกว่าทุกขติหรืออบายก็มีแต่เรื่องไม่ดีเรื่องแต่เรื่องวุ่นวายใจเรื่องเครียดเรื่องทุกข์ต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจของเรา ในขณะที่เราไม่มีร่างกายหรือในขณะที่เรานอนหลับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานอนหลับนี่เราเหมือนกับดูหนังตัวอย่างนะถ้าเราฝันร้ายนี่บ่อยๆนี่แสดงว่าบาปเราเยอะกว่า บ, บุญแล้วนะรีบรีบามบุญเสียเพื่อจะได้ฝันดีเพราะว่าเวลาตายไปเราจะมารอจิตสุดท้ายไม่ได้นะจิตสุดท้ายนี่ไม่พอที่จะมาสร้างบุญมาล้างบาปมา ต้องรีบสร้างบุญเสียตอนนี้ถ้าสมมติว่าหมู่นี้เราฝันร้ายอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าบาปเหล่านี้มีกำลังมากกว่าบุญมีมากกว่าบุญนะอย่าเราต้องรีบทำบุญกันเยอะๆแล้วคอยดูว่าเราจะฝันดีหรือเปล่าถ้าพอเริ่มฝันดีแล้วเราก็จะโล่อองใจได้ว่าอ๋อเดี๋ยวตายไปเราไปสุขคติแน่ๆเราจะไม่ไปทุก ข, ขติกัน แต่ถ้าเราฝันร้ายอยู่เรื่อยๆนี่รับประกันได้ตายไปนี่ไปทุกขติอย่างแน่นอนเห็นตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่ยังไม่สายเกินแก้ตอนนี้เรายังสามารถที่จะเติมบุญให้มันมากกว่าบาปได้อยู่ถ้าเกิดบาปของเรามีมากกว่าบุญ ถ, ถ้าเรามีบุญมากอยู่แล้วก็อย่าประมาทรีบทําไปเรื่อยๆให้มันเยอะๆไว้ดีกว่า เพราะยิ่งมากยิ่งจะได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆสามารถเปลี่ยนระดับของสวรรค์จากหนึ่งดาวเป็นสองดาวเป็นสามดาวได้สวรรค์มีหดาวด้วยกันมีหชั้นด้วยกันลองไปเปิดตำราดูอยู่พระพุทธเจ้าบอกมีชั้นต่างๆจาตมุมีดุสิตมีอะไรต่างๆนี่หชั้นด้วยกันนี่คือผลที่เกิดจากการทำบุญมากน้อยต่างกัน ก็เราจึงมีความสุขมากน้อยต่างกันเวลาทำบุญคนทำบุญมากจะมีความสุขมากกว่าคนที่ทำบุญน้อยแต่ปริมาณของเงินทองนี้ไม่ได้เป็นตัววัดว่าบุญมากหรือบุญน้อยนะต้องดูที่ปริมาณของการเสียสละของเราว่าเราเสียสละมากหรือเสียสละน้อยเช่นถ้าเรามีร้านหนึ่งแล้วเราเสียสละห้าเอร์เซ็นตาก็ทำห้าแน แต่ถ้าเรามีพันหนึ่งแล้วเราเสียสละถ้าเราทำห้าสิบเ้าก็ถ้าเราทำ 50, าร้อยละห้าสิบล้วก็ทำแค่ห้าร้อยทั้งเองก็จะได้บุญเท่ากันสำหรับคนมีร้านหนึ่งก็ต้องทำห้าแสนสำหรับคนมีพันก็ต้องทำห้าร้อยเพราะกำลังมีเท่านั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันกำลังของสต่ความสุขในใจนี้จะเหมือนกัน พราะว่าเวลาทำไปครึ่งหนึ่งนี้รู้สึกว่ามันมันมีความสุขไม่เชื่อลองเปรียบเทียบดูทำครึ่งหนึ่งกับทำแค่ร้อยละสิบดูน้ำหนักของบุญมันจะต่างกันทันทีทำมากเราก็จะมีความสุขมากในตัวของเราเองนะเราพูดเปรียบเทียบถ้าอย่าไปเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเปรียบไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขามีเท่าไหร่เขาเสียสระไปเท่าไหร่ แต่ในตัวของเราเนี่เรารู้เราทำร้อยละสิบหรือร้อยละยี่สิบร้อยละห้าสิบนี่เรารู้เพราะเรารู้ยอดเงินฝากของเร า, ามีเท่าไหร่ใช่ไหมเรามีทรัพย์สินเท่าไหร่เราพอจะรู้อยู่แล้วพอเราสละทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไปนี้ร้อยละเท่าไหร่เราจะรู้สึกมีความแตกต่างกันนี่คือตัววัดตัววัดบุญของเราตัววัดความสุขใจของเรา คนบางคนเนี่ยพวกที่เป็นนักบวชเนี่ยเขามีร้อยเขาสละร้อยเลยเขาเขาได้บุญเต็มร้อยเลยแต่เขาไม่ต้องการไปสวรรค์เขาต้องการใช้สวรรค์เป็นทางผ่าน น, นะเขาต้องการไปสวรรค์ที่สูงกว่านั้นอีกเขาต้องการไปนิพพานนีพวกนักบวชเขาเลยไม่สนใจกับความสุขระดับของเทพหรือระดับของพรหมเขาสนใจความสุขระดับของพระอริยเจ้า นี่คือที่ไปต่างๆของดวงจิตดวงวิญญาณของเราเนี่ยเราเรียกว่าสังสารวัฏหรือไตพบเนี่ยคือที่ท่องเที่ยวของจิตวิญญาณของพวกเราตอนนี้พวกเรามาท่องเที่ยวในกามมพบกันไตพบนี้มีอยู่สามพบด้วยกันคือกามมพรูปพบและอรูปพบ การมาพบก็คือที่ท่องเที่ยวของผู้ที่ชอบเสบรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนพวกที่ชอบไปบ่อนเขาก็จะไปเสษเขาก็จะไปหาความสุขตามบ่อนพวกที่ชอบสถานบันเทิงเขาก็จะไปเสบความสุขที่สถานบันเทิงนะการมาพบก็คือพบของผู้ที่ยังชอบเสบรูปเสียงกลิ่นรสอยู่คือพวกเราในกามพบนี้จะมี มีอยู่หลายพวกด้วยกันพวกเทวดานี่ก็เป็นพวกกามก็ยังเสพกามอยู่เนี่ยอย่างถ้าเราทำบุญแล้วตายไปเนี่ยเราก็ไปเป็นเทวดากันเราก็ยังเสพกามกันอยู่เสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ที่เกิดจากบุญที่เราได้ทำไว้มันสร้างมโนภาพขึ้นมาให้เราเสพกันแต่ถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญเราก็จะไปเสพมโนภาพที่เป็นทุกข์เราก็เรียกว่าอบาย พวกนี้กย็ยังอยู่ในกาลมาภพกาลมาภพนี้แบ่งเป็นสองสี่ทุ ก, กติกับสุ ก, ส ก, กติทุ ก, กติก็คืออบายสี่เป็นเป็นภพที่มีแต่ความทุกข์สัตว์เดรัจฉานี่ก็มีความทุกข์มากกว่าความสุขพวกเปรตพวกอสุรกายพวกนรกก็มีความทุกข์มากกว่าความสุข ในทางตรงกันข้ามพวกสวรรค์นี้ก็มีความสุขมากกว่าความทุกข์พวกเทวดาหกชั้นนี่ส่วนภพที่อยู่ตรงกลางนี้เราเรียกว่าภพมนุษย์มนุษย์นี่เป็นภพที่มีความสุขกับความทุกข์คะเท่ากันไปห้าสิบห้าสิบนแล้วอะไรทำให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันก็เวลาที่บุญกับบาปที่มีอยู่ในใจของเรามันมีกำลังเท่ากัน พอบุญมีบุญที่ส่งเราไปสวรรค์มันอ่อนลงเพราะบุญนี้เป็นของชั่วคราวเหมือนน้ามันรถเนี่ยพอเราขับไปเรื่อยๆน้ำมันมันก็จะลดน้อยลงน้อยลงไปพอมันใกล้จะหมดเราก็ต้องแวะที่ปั๊มน้ำมันกันเพื่อจะได้เติมบุญใหม่เติมน้ำมันใหม่เวลาเราทำบาปก็เหมือนกันเวลาตายไปเราก็ไปอบายกันพอบาปที่เราทำมันมันพองลงไปพองลงไป พอมันลดลงมาเท่ากับบุญมันก็เลยไม่มันไม่มันก็เลยไม่มีบาปเลยไม่มีแรงที่จะดึงให้อยู่ในอบายต่อไปได้แต่บุญก็ไม่มีแรงที่จะดึงให้ไปอยู่ในสวรรค์ได้มันก็เลยเป็นเวลาที่เรามาเกิดกันมาได้ร่างกายอันใหม่กันตตอนนี้เรามาเกิดนี้ใจของเรานี้มีบุญกับบาปเท่าๆกันห้าสิบห้าสิบใจของเราก็เลย มีทุกบ้างมีสุขบ้างสลับกันไปในตอนที่เรามาเป็นมนุษย์กันนี้แล้วเราก็มาเพิ่มบุญเพิ่มบาปกันเวลาที่เราโตขึ้นมาพอโตขึ้นมาอยากได้นูน่นอยากได้นี่บางทีก็ไปขโมยเขาบ้างไปทำบาบ้างบางทีก็ไม่ได้ทำบาปก็มีถ้าเราเป็นคนเก่งสามารถหาเงินหาทองได้ก็ไม่ต้องไปทำบาปแล้วก็ใช้เงินทองที่เราหาได้นี้ไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้ แล้วถ้าเรามีมากเกินไปเราก็เลยคิดไปทำบุญกันมีเงินไว้เก็บไว้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเวลาทำบุญว่ามันก็มีความรู้สึกสุขใจขึ้นมาเห็นคนอื่นเขาได้รับความสุขจากการเสียสละของเราเราก็เลยทำบุญกันนี่พอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมาทำบุญทำบาปกันใหม่แล้วก็มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพกันใหม่ แต่จะมีคน อ, อีกจำพวกหนึ่งเป็นคนที่เขาไม่ชอบหาความสุขจากการเสดกามคือพวกนักบวชทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เขาอยากจะหาความสุขจากการทำใจให้สงบคือการเข้าสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆถ้าอดีตชาติเขาเคยเข้ารูปฌานได้เวลาเขาตายไปเขาก็จะไปอยู่ที่รูปภพภพที่สูงกว่าภพของกามภพ คือสูงกว่าในความสุขนั่นเองพวกที่อยู่รูปภพหรืออรูปภพนี้จะเป็นภพที่มีความสุขสูงกว่ามากกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะพุทธเจ้าบอกเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากกามกามสุขพวกนี้ชาติก่อนเขาก็อาจจะเคยเป็นนักบวชมาเขาก็ไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส เขาก็จะไปอยู่ตามวัดไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปฝึกจิตให้เข้าสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆพอร่างกายตายไปเขาก็ไปอยู่ที่รูปภพหรืออรูปภพขึ้นอยู่กับฌานที่เขาได้ว่าเป็นรูปประชานหรืออรูปประชานรูปประชานก็มีแบ่งไว้สี่อรูปประชานก็มีแบ่งไว้อีกสี่ความสุขของรูปประชานแต่ละชั้นก็ต่างกัน ชั้นสูงขึ้นก็ความสุขก็มากขึ้นแล้วความสุขของอรูปปชานก็สูงกว่ามากกว่าความสุขของรูปปชาญความสุขของอรูปอรูปปชาญนี้ถือว่าเป็นความสุขที่สูงสุดของตายภพของกาของของภพที่มีอยู่สามภพนี้ความสุขสูงสุดก ER ็คือรูปภพอรูปภพความสุขรองลงมาก็คือรูปภพความสุขรองลงมาก็คือกาภพ ตั้งแต่เทวดาเทวภพลงมาแล้วก็มาที่มนุษย์ชยาภพแล้วพอตามกว่ามนุษย์ก็ทีนี้สุขจะไม่มีแล้วจะมีแต่ความทุกข์คือภพของเดรัจฉานภพของเปรตภพของอสูรลลกายภพของนรกนี่อันนี้ก็จะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสาเหตุที่เกิดจากการทำบุญทำบา เวลาที่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันแต่ภพต่างๆเหล่านี้ก็เป็นภพชั่วคราวทั้งนั้นเพราะว่าบุญที่ส่งให้ไปเกิดในภพเหล่านั้นหรือบาปที่ส่งให้ไปเกิดในภพเหล่านั้นมันเดี๋ยวมันหมดเหมือนน้ามันเหมือนเหมือนน้ามันรถเนี่ยพอเราเติมน้ํามันรถแล้วเราก็ขับไปไหนมาไหนเดี๋ยวพอมองไปที่เกวัดน้ํามันเอาเกือบจะหมดแล้วสีแดงแล้ว ต้องรีบแวะเข้าที่สถานีบริการเติมน้ํามันใหม่ฉันใดเวลาบุญกับบาปของเรานี้มันหมดกําลังลงไม่สามารถดึงให้เราอยู่ในสวรรค์หรือดึงให้เราอยู่ในอบายได้เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือฌานที่เราได้มันก็เสื่อมเหมือนกันรูปฌานได้มาเดี๋ยวก็เสื่อมอารูปฌานได้มาเดี๋ยวก็เสื่อมพอมันเสื่อมมันก็ดึงให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้จะชอบทำสิ่งที่ไม่เหมือนกันพวกที่ชอบเสพกามก็จะไปเสพกามกันต่อไปหาลูกเสียงกลิ่นลดหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายพวกที่ชอบรูปฌานก็จะไปไปบวชกันเรื่อไปอยู่วัดกันไปฝึกสมาธิกันนั่งนั่งสมาธิเข้าฌานเพราะมีความสุขมากกว่าสำหรับพวกที่เข้าฌานได้เขาจะไม่ ต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะรูปเสียงกลิ่นรสนี้ยากวุ่นวายกว่าไหนจะต้องอมีรูปเสียงกลิ่นรสไหนจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายที่สมบูรณ์ถึงจะสามารถเสพได้แต่สำหรับผู้ที่เสบรูปประชานรูปประชานนี้เขามีเพียงอย่างเดียวก็พอคือสติถ้าเขามีสติสามารถควบคุมความ คิดบุงแตงของจิตของเขาได้ให้หยุดคิดได้จิตของเขาก็สงบนิ่งเป็นฌานขึ้นมาเป็นฌานขั้นต่างๆขึ้นมาขึ้นอยู่กับกำลังของสติเห็นพวกนี้เวลาที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เขามักจะไปบวชกันสังเกตดูทำไมคนบางคนนี่บวชได้ตั้งแต่เด็กก็มีสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเด็กหลวงปู่มาน่นนี่ท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเด็ก แต่ท่านต้องเสกมาช่วยทางงานทางบ้านอยู่ชั่วคราวพอท่านไม่ต้องช่วยนะท่านก็กลับไปบวชใหม่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านเคยทำมาท่านเคยชอบท่านเคยเสพเนเราเคยเสพ อ, อะไรเราก็จะกลับมาเสพอย่างนั้นสังเกตดูเราเคยชอบอะไรเราก็จะมาชอบอย่างนั้นไม่มีใครสอนนะพ่อแม่ไม่ต้องสั่งสอนว่าดูให้ชอบอย่างนี้นะดูไม่ให้ชอบอย่างนี้นะคนไหนชอบสีแดงก็จะหาสีแดงมาใส่นะ างคนชอบสีเขียวก็จะหาสีเขียวมาใส่ชอบอะไรก็จะไปหาสิ่งนั้นของนี้มันฝังอยู่ในใจเรามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันไม่ได้จางหายไปไหนความรักความชังต่างๆกับสิ่งต่างๆนี้มันอยู่ในจิตในใจของเราพอเรามาเกิดปับ๊บพอเรามาเจอสิ่งที่เรารักเราก็จะชอบขึ้นมา ท, าทันทีพอเราไปเจอสิ่งที่เราเกลียดเราก็ชังขึ้นมา ท, าทันทีไม่ชอบขึ้นมาทันที อันนี้แหละคือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายภพนี่อยู่เพราะอะไรเพราะว่าเรายัางไม่รู้สาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยเ ร, ยเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้เท่านั้นองเดียวคนเดียวคนเดียวใน ในบในบรรดาดวงจิตดวงวิญญาณอันนับไม่นับประมาณไม่ได้นี้นานๆจะมีโผล่ขึ้นมาสักคนหนึ่งที่เห็นว่าตัวเองนี้คือดวงวิญญาณของตนนี้กําลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบและเหตุที่ทําให้ดวงวิญญาณนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบก็คือความอยากสามประการคือความอยากเสพกามความอยากเสพฌารูปฌารและความอยากเสพอรูปฌานนี้เอง ดังนั้นถ้าไม่อยากที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้พวกนักบวชนี้เบื้องต้นเขาก็ตัดความอยากในกลามก่อนเขาไปบวชนี้เขาก็ถือศีลแปดกันศีลแปดนี้ก็ห้ามเสพกลางห้ามหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายใครร่วมหลับนอนกับแฟนก็ต้องเลิก เคยกินอาหารหลายหลายมื้ออยากจะกินเมื่อไหร่หิวเมื่อไหร่ก็กินก็ต้องเลิกให้กินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ให้กินแค่วันละมือ้อหรือสองมื้อเป็นอย่างมากแต่ไม่เกินเที่ยงวันสำหรับพวกนักบวชไม่ให้เสพกามจากทางอาหารแล้วก็ไม่ให้เสพกามจากการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ ต, ต, ตามโรงมหอลศพหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สถานที่ช้อปปิ้งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปเสพไม่ให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้<ม>แล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายของตนเพราะว่าไม่ต้องการที่จะไปเป็นแฟนใครแล้วต้องการอยู่คนเดียวก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเสริมสวยความงามพวกที่ชอบเสริมสวยความงามนี้ยังอยากมีแฟนอยู่ ยังอยากให้คนเขารักเราอยู่ชอบเราอยู่พอเห็นเราแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆทำผมสวยๆคนก็มองกันเราก็ดีใจมีความสุขความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายก็ต้องตัดไปแต่งกายแบบเรียบง่ายนุ่งขาว่มขาวหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยก็พอไม่ต้องไปทำผมต้องไปแต่งผมอะไรต่างๆตัดความสุขเหล่านี้ออกไป เพื่อจะได้มีเวลามาสร้างความสุขจากการเข้าฌานนี่เองจากการเจริญสติสมาธิเข้ารูปฌปานหรือรูปฌปานแล้วก็ไม่ให้นอนบนเตียงสำรานเนี่ยสมัยนี้เขานิยมสร้างเตียงสารานใหญ่ๆเพื่อให้นอนอย่างสุขอย่างสบายกันแต่นอนมากเกินไปจะให้เสียเวลาสำหรับที่จะมาปฏิบัติสมาธิกัน ผู้ที่ต้องการหาความสุขทางสมาธิก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีนอนนอนบนที่นอนแข็งๆไม่นุ่มไม่สบายแต่ก็หลับได้เวลาที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าง่วงนอนนี้ที่นอนจะแข็งจะนุ่มนี่ไม่สำคัญหลับได้สบายแล้วก็พอพักผ่อนเสร็จตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเพราะมันแข็ง แต่ถ้านอนบนที่นอนสาลานี้พอตื่นขึ้นมาแล้วมมันยังสบายไม่อยากจะลุกลุกแล้วมันทุกนอนต่อดีกว่าก็เลยนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงเสียเวลาแทนที่จะเวลามาหาความสุขจากสมาธิกันก็เลยไม่ได้ทำกันนี่พระพุทธเจ้าเลยต้องห้ามข้อห้ามเหล่านี้สำหรับผู้ที่ฝึกหัดใหม่ๆผู้ที่ยังไม่เคยฝึกสมาธิต้องมาหัดถือศีลแปดก่อน แต่พวกที่เขามีสมาธิมีฌานอยู่แล้วเขาจะมีศีลแปดโดยอัตโนมัติเขาเขาไม่เสพอยู่แล้วเขาไม่สนใจอยู่แล้วเขาจะรู้สึกเรื่องถือศีลแปดเรื่องบวชนี้ไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรเลยมันเหมือนปลาได้น้ําเหมือนจับปลาปล่อยลงไปในน้ํานี่มันว่ายอย่างสบายเลยแต่ถ้าจับคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นลงไปนี่มันจะดิ้นมันจะจมเอาคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อน พอจะมาฝึกสมาธิแล้วต้องมาถือศีลแปนี้จะเริ่มรู้สึกอึดอัดทันทีเพราะว่าไม่เคยไม่เคยห้ามใจไม่เคยเบรกใจไม่ให้ไปทำสิ่งต่างๆอย่างที่เคยทำมาใจก็เลยไม่อยากจะรักษาศีลแปกันทีนี้เราจะทำไงสำหรับคนที่อยากจะทำไทไงถึงจะมาสามารถมาเสพรูปฌานอารูปฌานได้ ก็ต้องเห็นความทุกจากการเสกกามก่อนคนบางคนมักจะเข้าว่าตอนที่มีความเสียใจนะเวลาสูญเสียแฟนสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทีนี้เห็นว่าทุกข์แล้วสิไม่มีไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขได้จากการเสกกามแลทีนี้ก็เลยถูกบังคับโดยปริยาว่าต้องไปหาความสุขจากการไปอยู่วัดลนะไปอยู่วัดไปทําใจให้สงบนะแล้วจะช่วย ระ ง, งับความทุกข์ความเสียใจได้แล้วก็จะทําทให้เกิดพบพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการฝึกสมาธิกันเนี่ยคนที่มาอยู่วัดก็จะได้มาเรียนรู้วิธีเจริญสติเพราะต้องใช้สติเพื่อระ ง, งับความคิดปรุงแต่งถ้าไม่มีสตินี้ก็เหมือนรถที่ไม่มีเบรกรถไม่มีเบรกที่วิ่งอยู่นี้จะให้มันหยุดนี้มันไม่หยุดอ่ะมันก็วิ่งของมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปชนกําแพงหรือตก ตกคลองไปเท่านั้นมันถึงจะหยุดเลยจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติสั่งให้มันหยุดคิดมันไม่หยุดคิดหรอกสั่งให้มันนั่งเฉยๆไม่ให้คิดอะไรเคยสั่งได้ไหมมีใครเคยสั่งได้มั้งว่าตอนนี้จะนั่งเฉยๆไม่คิดอะไรสักห้านาทีสิบนาทีไม่ได้ละแม้แต่นาทีเดียวยังไม่ได้เนี่ยครึ่งนาทียังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาฝึกสร้างสติกันเพราะเราเป็นมอเตอร์ไม่มีเบรก สติก็เป็นเหมือนเบรกของใจถ้าเราหยุดความคิดสั่งความคิดให้หยุดคิดไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีเบรกไม่มีสติเราก็ต้องมาสร้างสติวิธีสร้างสติก็ต้องคือการฝึกกรรมฐานนี่เองเราต้องใช้กรรมฐานเป็นเครื่องสร้างสติขึ้นมากรรมฐานก็คืออารมณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งใน40อารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐาน40 เราต้องใช้กรรมฐานนี้เป็นเครื่องสร้างสติเพื่อมาหยุดความคิดกันเช่นเราจะนิยมใช้พุทธานุสติกันเพราะเรามีความศรัทธามีความเคารพในพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าคิดว่าถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมีความสุขมีความปลอดภัยเราก็มักจะใช้พุทธานุสติอนุสติสิท มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอาณาปานาสติมรณ า, านุสติเหล่านี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่เราสามารถใช้สร้างสติขึ้นมาได้ใช้หยุดความคิดได้พอเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้ถ้าเราลองท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเราก็จะไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ไม่ได้เพราะความคิดของเรามันคิดพร้อมกันไม่ได้สองอย่าง ในเวลาเดียวกันแต่ใหม่ๆมันอาจจะแย่งกันคิดได้อยู่เราพุโทโธปั๊บความคิดอย่างอื่นก็เข้ามาต่อเลยฉะนั้นใหม่ๆนี้มันก็จะเหมือนมีสองคนแย่งกันคิดคนหนึ่งก็คิดพุดโทโธอีกคนหนึ่งก็คิดจะหาเพื่อนหาฝูงหาอะไรไปเราก็อย่าไปสนใจกับความคิดด่านั้นพยายามผูกใจบังคับใจให้มันคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าเรารู้สึกว่าพุโทโธมันสั้นเกินไปเราก็ใช้อิติปิโสก็ได้ ส่วนอิติปิสโสไปก่อนก็เป็นการเจริญพุทธานุสติเหมือนกันอิติปิสโสภะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุตโตโลกาวิทูนิอนุตตโลปุริสธรรมสาลธิเนี่ยท่องมันไปหลายๆรอบท่องไปเรื่อยๆเขานิยมให้ท่องตามอายุกันอายุสามสิบก็ท่องสามสิบรอบอายุห้าสิบก็ท่องห้าสิบรอบท่องแล้วใจจะเบาจะเย็น เรื่องราวต่างๆที่เคยคิดวุ่นวายมันก็จะหายไปชั่วคราวนี่คือวิธีควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ด้วยการจเจริญสติถ้าเรามีสติมากเรเวลานั่งสมาธินี่เรานั่งหลับตาเราก็จะสามารถหยุดความคิดได้เต็มร้อยเลยถ้าความคิดของเราหยุดเต็มร้อยปั๊บนี้จิตก็เข้าฌานเลยเข้าฌานขั้ น, นตา่างๆ เวลาเข้าฌานปุ๊บนี้ทีนี้ก็ไม่ต้องเรา ล, ลกถึงพระพุทธเจ้าไม่ต้องพุทโทไม่ต้องดูลมละเพราะจิตมันหยุดละมันลถที่เราเหยียบเบรกเวลาที่มันยังวิ่งอยู่พอรถมันจอดนิ่งแล้วเราก็ปล่อยเบรกได้อันนี้ก็เหมือนกันพอจิตรวมสงบแล้วจิตมีความสุขมีความนิ่งแล้วมีความสบายแล้วเราก็ไม่ต้องทาอะไรตอนนั้นเราก็ใช้สติคอยคอยควบคุมคอย ป่อยประครับประคองความสงบนี้ให้สงบไปนานๆอย่าเพิ่งไปทําเรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปพิจารณาทางปัญญาปัญญานี้ต้องรออีกระยะหนึ่งก่อนรอให้เรามีสติมีสมาธิมากๆก่อนมีความสงบมากๆก่อนเริ่มตอนนี้เรายังมีความสงบน้อยอยู่พยายามนั่งให้มันนานๆเนี่ยบางทีต้องนั่งถึงเป็นชั่วโมงเลยให้มันมีพลังเยอะๆมีกาลังเยอะๆ แล้วเวลาจะเจริญปัญญานี้รอเวลาที่เราออกจากสมาธิออกจากฌานกันนะแต่ขั้นสมาธินี้อย่าไปทําอย่าไปคิดทางปัญญาเวลาจิตสงบเพราะว่ามันก็จะทําทให้ความสงบหายไปบุษาวควบคุมบุษาใช้พุทโธถ้าเป็นแทบตายพอมันสงบปับ๊บก็เด็กมันมาคิดใหม่เหมือนกับจอรดรถพอเหยียบเบรกรถจอดปับ๊บก็ไปเหยียบคันเร่งอย่างเงี้ยเงี้ยไปเงี้ไปเหยียบเบร์ให้มันเสียเวลาทำไม พอรถจอดปั๊บก็ไปเหยียบคันเร่งให้มันวิ่งก็อย่าไปเหยียบเด็กให้มันเสียเวลาไม่ต้องไปเข้าสมาธิถ้าอยากจะคิดทางปัญญาก็คิดโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เช่นพิจารณาไตายลักว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิปัสสนาแล้วล่ะพิจารณาความจริงพิจารณาอนิจจังของร่างกาย พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาแล้วไม่ต้องรอไปเข้าไปทำในสมาธิเราสมาธินี้มีไว้เพื่อสร้างอุเบกขาสร้างความสุขให้กับใจเพื่อที่เราจะได้เลิกเลิกเลิกความอยากหาความสุขทางอื่นได้คือ เรามีความสุขชนิดใหม่มาทดแทนความสุขชนิดเก่านั่นเองเหมือนกับก่อนที่เราจะทิ้งรถเก่าไปเราก็ต้องซื้อรถใหม่ก่อนเยถ้าได้รถใหม่ถ้าได้รถใหม่ที่ดีกว่าเก่านี่รถเก่าเราก็ทิ้งได้เลยยกให้คนอื่นได้เลยจะได้ความสุขที่เราได้จากสมาธิมันก็เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการมีสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส พอเราได้ความสุขจากสมาธิแล้วเราก็ใช้ปัญญามาสอนว่าความสุขของของกามนี่มันมีทุกข์นะมันไม่เที่ยงเวลามันหมดไปนี่มันทาให้ทุกข์เมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็ไม่ไปหาไม่ไปหาความสุขแบบนี้ดีกว่าซู้มาหาความสุขจากสมาธิดีกว่าอันนี้ก็เป็นขั้นของวิปัสสนาขั้นต่อไปแต่ขั้นของสมาธินี้เวลาจิตรวมสงบแล้วอย่าไปทาอะไร ใช้สตคิคอยควบคุมคอยดูว่าคิดหรือเปล่าเริ่มคิดอีกหรือเปล่าถ้าจะเริ่มคิดก็หยุดมันอี่ให้มันไม่คิดไปนานๆให้มันนิ่งให้มันมีความเย็นความสบายไปนานๆานานก่อนแล้วต่อไปเวลามันออกมาจากสมาธิแล้วที่นี้อยากจะเจริญทางปัญญาก็พิจารณาได้เลยจะพิจารณาอะไรร่างกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงอารมณ์ต่างๆไม่เที่ยงเกิดแล้วดับเป็นอนัตตาควบคุมบังคับมันไม่ได้ อันนี้เราสามารถใช้ปัญญาสอนใจได้ต่อไปแต่ตอนทําสมาธินี้ไม่ต้องการให้ทําอะไรแต่ถ้าเราทําเพียงแต่สมาธิอย่างเดียวจิตของเราก็ยังจะติดอยู่ในตายพบอยู่เพราะยังจะไปติดในสมาธิไปติดในฌานในติดในรูปฌานต่อไปนั้นถ้าเราอยากออกจาก การเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องตัดความอยากทั้งสามนี้ความอยากหาความสุขจากการเราละได้แล้วแต่เรามาเปลี่ยนหาความสุขจากฌานจากรูปฌานหรืออรูปฌานเราก็ต้องมาละความอยากหาความสุขจากรูปฌานหรืออรูปฌานด้วยคือไม่ต้องมีความอยากเสอะไรทั้งสิ้นอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีอะไรเนี่ยดีที่สุดเพราะความว่างไม่มีความทุกข์ไม่มีไม่มีอนิจจังทุกขังแลน้าตาอยู่กับความว่าง แต่ถ้ามีอะไรมันจะต้องมีมีการเสื่อมไปมีการมาคุณฆ่ามันก็ต้องเสื่อมมีรูปประชารมันก็ต้องเสื่อมมีอรูปประชารมันก็ต้องเสื่อมแต่ถ้าอยู่กับไม่มีอะไรนี้มันไม่มีวันเสื่อมพอจิตละความอยากทั้งสามได้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็หายไปแล้วไม่มีอะไรที่จะดึงดวงวิญญาณของเราให้กลับมาเกิดในตายพบอีก ต, ต่อไปตายของเราก็จะ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใจที่หลุดพ้นนี่เราเรียกว่านิพพานนั่นเองไม่ได้เป็นสถานที่นะิพพานก็คือใจของเรานี่แหละที่เราได้ทำความสะอาดทำระความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วใจก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไปไม่เกิดในกามะภพไม่เกิดในรูปะภพไม่เกิดในอรูปะภพเมื่อไม่เกิดทุกข์ก็จะไม่มีต่อไป ตราบใดที่ยังมีการเกิดอยูตราบนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่ น, นี่คือเรื่องราวของพวกเราที่เอามาฝากมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันในวันนี้คิดว่าพงพอที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆให้น้อยลงไปหรือให้หมดไปแล้วก็ให้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าเป้าหมายของชีวิตของเรานี้คือการตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ เพเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกัปฏิ อิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตผวะตวันตารายสุขีทีขายุโกผวะอะพิวะธนศิลิสานิจังวุธาประจายโนจตารธรรมะวัฏานติอายุวันโอสุขังพะละช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามข้องใจอยงใดอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความ้ามาก็ได้แต่จะไม่ให้ถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วเพราะจะไม่สะดวกไม่สะดวกที่จะตอบคำถามเวลาเลิกแล้วัอยากจะถามเวลานี่เป็นเวลาที่สะดวกที่สุดถ้าไม่อยากจะให้รู้ว่าเป็นคำถามเราก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความกามาก็แล้วกัน อันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง f ฟ c e b o o ห้าร้อยสามคนครับย o u t u สี่ร้อยหกสิบหกคนครับวิทยุออนไลน์หกคนครับผู้รับฟังมากวจริง้อยสามสิบคนครับรวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าคนครับประจรันทีมงานยิ้มมันใหญ่อา<ม><ม>จารย์ถามได้ เดี๋ยวทำนี้ก่อนอนี้ก่อนครับพอาจารย์ครับเด็คําถามพอาจารย์ว่าการทําบุญให้กับบุตรที่ล่งรับไปแล้วตามบุตรหลักของพุทธศาสนาเนี่ยทําอย่างไรหรือว่าหลักการที่ถูกต้องนะครับผมคือการทําบุญทางพุทธศาสนาก็โดยทั่วไปก็ให้ทํากับพระก่อนทํากับพระทํากับวัดทำกับวัดเช่นบายจาก เงินให้วัดถวายสังฆทานสร้างกุฏิหรือทําอะไรเหล่านี้ก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้แต่ถ้าพูดตามหลักของบุญแล้วนี้บุญเกิดจากการเสียสละการให้ทานของเราไม่ได้อยู่กับที่ผู้รับว่าเป็นใครให้ใครแล้วเราเกิดความสุขใจ น, ะนั้นก็คือบุญ แล้วเราก็สามารถแบ่งความสุขใจนั้นให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เหมือนกันมันก็จะส่บาตรก็ได้จะบริจาคให้เงินกับโรงพยาบาลก็ได้ให้โรงเรียนก็ได้แล้วทาแล้วเรามีความสุขใจเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้แต่ถ้าพูดตามรูปแบบตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ก็ให้กับนักบวชก่อนให้กับพระพุทธศาสนาเพราะนักบวชนี่เขาต้องพึ่งการให้ทานของผู้อื่นถึงจะอยู่ได้ยกเว้นว่าถ้ามีมากแล้วก็สามารถไปทำที่อื่นแทนก็ได้ถ้าอยากจะทำที่อื่นแต่เบื้องต้นทำกับนักบวชนี้จะได้ประโยชน์มากเพราะนักบวชนี้มีแต่ทำความดีให้กับโลกเป็นที่พึ่งของโลก พาสงฆ์เเป็นพระพราตนะหนึ่งในพระพลาตนาไทยที่เราควรที่จะสนับสนุนแต่ก็ไม่ได้เป็นการบังคับถ้าเราอยากจะทำบุญกับบุคคลอื่นก็ได้เหตุใดมันอาจจะไม่รู้สึกว่าเหมือนกับได้บุญก็อันนี้ก็แล้วแต่ความรู้สึกคะคำถามจากผู้รับฟังหนะ้ากุฏิเจ้าค่ะแม่อายุเจ็ดสิบหปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์โรคเบาหวานช่วงหลังๆไม่ยอมรับการรักษาไม่ให้ความร่วมมือการรับประทานอาหารเบื่ออาหารลูกลำบากใจบางครั้งก็ด่าลูกผู้ดูแลแบบไหมคะถ้าไม่พาไปหาหมอเมื่อเป็นความต้องการของแม่เองเจ้าค่ะไม่บาปหรอเป็นการทาที่ถูกต้องแล้วเพราะเป็นร่างกายของเขาเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะ ตัดสินใจว่าเขาต้องการจะทําอะไรกับร่างกายของเขายกเว้นวะ่าถ้าเขาคิดอยากจะทําร้ายร่างกายของเขานี่ก็ต้องคอยห้ามเขาไว้คอยป้องกันอย่าให้เขาทำเพราะเป็นการกระทําบาปแต่การไม่รักษานี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทําบาปคําถามจากคู่เราฟังหน้ากุติเจ้าค่ะถ้าเราปล่อยเงินกู้ร้อยละยี่สิบจะบาปหรือไม่เจ้าค่ะไม่เราก็เหมือนขายของเนี่ย เราจะขายของราคาร้อยหนึ่งก็ได้ยี่สิบก็ได้แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะได้บุญเราก็ขายให้มันถูกช่วงนี้คนอดอาหารเยอะเงี้ยเราเคยขายอาหารจานละร้อยก็ลดเหลือห้าสิบบาทนี้ก็ได้มันอยู่ที่เราราคาเราตั้งได้ไม่ถือว่าเป็นบุญหรือเป็นไม่ถ้าถ้าขายมันไม่เป็นบาทบุญก็ไม่ได้เป็นนะ นอกจาว่าเราขายแบบขาดทุนนะถึงจะได้บุญเช่นเราขายแล้วแทนที่จะได้กําไรเราขาดทุนเนงินที่ส่วนที่เป็นขาดทุน เ, นเรียวกว่าเป็นบุญนะแต่เงินที่ขาดกําไรนี้จะจะถือว่าเป็นบุญก็ได้เพราะธรรมดาเราต้องมีกําไรในการขายของเพราะมันเราต้องมีไรายได้อุดหนุนการอยู่ของเราแต่เรายอมเสียสละไรายได้นั้นไปก็เป็นเหมือนกับเป็นการทําบุญเหมือนกัน แต่ถ้าเราคิดแพงๆนี่ก็แสดงว่าเราหน้าเลือดโลคมากเปรกำลังเปรตกำลังกาลังดันเราอยู่คำถามจากผู้เราฟังหน้ากุฏิเจ้าค่ะขณะฟังธรรมผมคิดถึงขนมครัวซองกาแฟลาเต้ข่าเฟ่น่ารักน่ารักครับ วางแผนจะไปหลังฟังธรรมคิดวนไปวนมาจนเสียสมาธิในการฟังธรรมควรวางใจหรือพิจารณาอย่างไรครับก็เราไม่มีสติในการฟังธรรมเนี่ยไม่สามารถควบคุมใจให้เราอยู่กับเสียงธรรมที่มาได้ใจเรายังแตกอยู่ใจเราไม่มีกําลังที่จะอยู่เราไม่สามารถบังคับให้มันอยู่กับเสียงธรรมอยู่แล้วมันก็ววบไปคิดถึงนี้ น, นู่นนี่ก็ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้น เวลาเวลาทําอะไรก็ให้มีสติให้อย่าให้จิตคิดเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่ให้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่หรือให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะลดน้อยลงไปคําถามจากทางอินบอ็อกช์เจ้าค่ะ กับเรียนถามพระอาจารย์ครับมีปัญหาในชีวิตคนรักแอบไปแอบไปทำผิดศีลข้อสแต่ว่าเขาสำนึกผิดแล้วก็ตั้งสัจจะว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกก้าวกับผมก็รับรู้มีความทุกข์ใจมากครับแต่ได้ฟังธรรมพระอาจารย์เพื่อตะล่อมจิตใจให้ลืมความทุกข์ใจก็ระงับได้หน่อยแล้วก็หัดมาภาวนาเอาสติอยู่กับลมหายใจ พุทโธพุทโธแต่ก็เผลอออกนอกบ่อยๆจิตยังไม่มีสมาธิเลยครับแต่ก็ได้ฟังธรรมพระอาจารย์ก็เฉพาะตะล่อมให้จิตใจอยากจะนั่งสมาธิแต่ก็ยังไม่สงบอยากเรียนถามวิธีปฏิบัติจากพระอาจารย์ครับว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับก็พยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆพยายามพุทโธพุทโธอยู่บ่อยๆพอรึกได้ว่าเผลอไม่พุทโธก็ ร, ททรีพุทโธพุทโธไปค อ, อยหยุดความคิดต่างๆ เมือนกขับรถแล้วต้องคอยเหยียบเบรกรถมันถึงจะหยุดได้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกรถมันก็วิ่งอยู่เรื่อยๆคําถามจากทาง youtube เจ้าค่ะคนที่ชอบทําบุญด้วยเงินแต่ว่าชอบโกหกเป็นนิสยัยเพื่อ เ, อเปรียบคนอื่นเขามีโอกาสตกนรกหรือไม่ครับถ้าก็ไม่ได้ทําบาปก็ไม่ได้ตกนรกหรอกแล้วก็ทํ า, าทบุญเขาก็เขาก็ได้ไปายสวัย ถ้าเขาไม่ได้ทาผิดศีลห้าเช่นไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปดไม่ได้เหลือสุรายามเมาโอกาสที่จะไปนรกนี้น้อยมากคำถามจากคุณรุ่งฤดีค่ะกลับนามัสการพระอาจารย์ค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายคำว่าจิตรวมและฌานคืออะไรและอาการเป็นอย่างไรกราบสาธุเจ้าค่ะ จิตเวลาคิดปรุงแต่งนี้เราเรียกว่าจิตกระจายกระจายไปเรื่องนั้นกระจายไปเรื่องนี้นะเวลาเราหยุดคิดก็เหมือนกับเรารวมจิตให้เข้ามาอยู่ที่อยู่ที่ในตัวจิตหรือไม่ส่งกระแสความคิดออกไปนะนะจิตรวมก็คือจิตสงบนั้นเองเวลาพุทโทธพุทโทธยังทั้งจิตหยุดคิดจิตก็สงบนะนะอันนั้นก็เรียกว่าฌานความสงบก็มีหลายระดับ สงบมากสงบน้อยมีแระดับด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วนรูปประชานกับรูปประชานรูปปัจานสี่รูปปัจจานสี่ก็เป็นระดับของความสงบของจิตคำถามจากคุณอุไรวันค่ะขอทราบข้อปฏิบัติหรือแนวทางการเข้าสู่พระสูตรบันได้เร็วและในกรณีที่ยังต้องทำงานและยังไม่สามารถออกบวชได้เจ้าค่ะ อ, อ๋อก็ต้อง ทำบุญทำทานยาว เ, เงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาเงินไปทําบุญแล้วก็รักษาศีลห้าศีลแปดแล้วก็ฝึกสมาธิให้ได้ฌานแล้วก็พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงดินน้ํำลมไฟเวทนาที่มากับร่างกายก็ไม่ใช่เราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยธรรมชาติของมันเราไปสั่งไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากการไปยึดไปติดกับขันห้าร่างกายของเราและความรู้สึกของเราผ่านทางร่างกายเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยาก อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันคำถามจากคุณโลตัสบลูค่ะขอถามพระอาจารย์ว่าถ้ายังไม่มีสติฟังเทศตลอดเวลาก่อนไดไหมช้าวขาก็ได้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เราจะฟังทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ในเวลาที่เราไม่ฟังเทศเราก็ต้องใช้พุโทโธหรือใช้ดูเฝ้าดูร่างกายของเรา ผูกใจไว้กับร่างกายไปให้เป็นฝาแฝดจริงๆร่างกายทำอะไรใจก็ทำไปกับร่างกายไม่ใช่แยก่กันร่างกายทำอย่างหนึ่งใจก็ไปคิดอีกอย่างหนึ่งหนึงใจให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับร่างกายทำพร้อมๆกันไปแล้วเราก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับคำถามจากคุณรัชกรมีทั้งหมดสองข้อเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งจิตอยู่พระจิตอยู่ จิตอยู่ความคิดใช่หรือเปล่าคะคือความคิดมันอยู่ในจิตผู้ที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติหรือปัญญาเบื้องต้นนี้สติจะง่ายกว่าปัญญาสตินี้จะหยุดคิดได้เลยถ้าปัญญามันก็หยุดได้เหมือนกันแต่ต้องรู้จักใช้แต่ถ้าไม่รู้จักใช้เช่นเวลากังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้ก็แค่เราเดี๋ยวมึงไม่ตายเหรออย่างี้นี่คือปัญญา เดี๋ยวก็ตายแล้วคนเราเกิดมาจะไปอยู่ไปได้ตลอดยังไงพอคิดถึงเวลาโอเดี๋ยวเราก็ตายแล้วความความคิดวุ่นวายใจต่างๆก็หายไปคิดไปให้วุ่นวายทำไมเดี๋ยวก็ตายได้อะไรมาเดี๋ยวก็ต้องทิ้งมันอยู่ดีไม่ได้ก็ไม่ได้เอาไปอยู่ดีงั้นแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนได้บางคนใช้ความตายแล้วงับความคิดได้มาณานุสติม่มณานุสติ บางคนใช้ไม่ได้กลัวพอคิดเขาว่าตายนี้ใจสั่นวิลขึ้นม า, างนี้ก็ใช้มรานุสติไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธพุทโธหยุดความคิดไปข้อที่สองเจ้าค่ะจิตมีแต่ยึดกับปล่อยวางถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็กิเลสนะไม่ใช่จิตหรอกที่ทำให้จิตยึดรือจิตปล่อยวางกิเลสทำให้ยึดปัญญาทำให้จิตปล่อยวาง หยุดังต้องพยายามน ง, งับกิเลสแล้วก็สร้างปัญญาหรือสร้างธรรมขึ้นมามีปัญญามีธรรมก็จะปล่อยวางได้มากมีกิเลสมากก็จะยึดจะถือจะติดมากคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k เจ้าคะ่ะพระอาจารย์คะขอถามว่าคนที่ฆ่าตัวตายมีวิธีให้คนนั้นหมดกรรมหรือไม่เจ้าคะ่ะก็ต้องไปนิพพา น, นนะเนี่ยถึงจะหมดกรรมนะทุกคนจะต้อง ปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ครบบริบูรณ์แล้วก็กาจัดความอยากทั้งสามให้หมดไปจากใจก็จะไปนิพพานพอนิพพานแล้วก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดวิบากกรรมที่เคยทำไว้ก็จะไม่สามารถส่งผลได้อีกต่อไปคําถามจากคุณเบ น, นิสากุระค่ะ เมื่อตายไปแล้วทำบุญก็จะเป็นเทวดาเป็นพรหมส่วนทำบาปก็จะไปเกิดในอบายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตสัตว์นรกอสุลกายเราที่เรียกว่าสัมภเวสีหรือผีนี่คืออะไรครับคือวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดใช่หรือไม่ครับเราก็ไม่เราก็ไม่แน่ใจนะเพราะเราไม่ได้ค้นคว้าเรื่องอันนี้ลองไปถามกูเกิลดีจะดีกว่า เดี๋ยวใส่ก็ไปในมือถือถามมือถือก็ได้ให้สัมปเวสีคืออะไรวะเดี๋ยวมันก็หาคำตอบให้เราเองมือถือตอนนี้มันสมัยนี้มันเก่งกับพ่ายอยู่นู่นบางเรื่องจําไม่ได้หมดอ่ะหรือบางทีมันไม่จําเป็นกับเรื่องการปฏิบัติก็เลยไม่ไปสนใจมันรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้สัมปเวสีว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเท่าที่เข้าใจคิดว่าสัมปเวสีคือดวงวิญญาณที่ยังไปเกิดอยู่ ห ร, ห, รหรือหรือเปร์ก็ไม่รู้นะเป็นสองอย่างสองความหมายนี่เราไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงอันไหนกันแน่เดี๋ยวลองถามมือถือดูดีกว่า <c oughs> คําถามจากผู้รับฟังหน้ากุติคะ่ะข้อที่หนึ่งขอความเห็นของหลวงพ่อเรื่องการปรงผมกับการไม่ปรงผมของแม่ชีคะ่ะอ่แม่ชีก็ปรงเลยถ้าบวชแล้วนักบวชก็ไม่ยึดติดกับความสวยงามของทางร่างกาย แล้วก็การไม่มีผมนี่มันสบายไม่ต้องมาเป็นภาละมีผมก็ต้องคอยซักคอยเช็ดคอยให้มันแห้งคอยหวีคอยอะไรต่างๆไม่มีผมนี่สบายอาบน้ำปุ๊บก็สะได้ตลอดเวลาใช้สบู่ฟอกศีรระเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมาคอยหวีแห้งทันทีเนี่ยเป็นผ้านี่สบายไม่ต้องไปคอยกังวลกับเรื่องการต้องไปคอยเข้าร้านตัดผมให้ใหช่างตัดผมมาตัดมาแต่งมาอะไร เสียเงินเสียทองเสียเวลาไปเปล่าๆอย่าถ้าเป็นนักบวชก็เขาพระพุทธเจ้าท่านให้ใหท่านทําเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็โกนผมเหมือนกันเพื่อความสะดวกไม่เป็นภาระแก่จิตใจพูดง่ายๆร่างกายนี้มันเป็นภาระนั้นเราพยายามอย่าไปเพิ่มภาระให้กับกับจิตใจด้วยการไปเสริมความงามด้วยการไปดูแลอะไรต่างๆเกินเกินเกิ น, เ ก, นเกินปกติให้มันดูแลตามปกติก็พอก็คือให้มันมีกินมี มีกินมีนอน ม, มีเครื่องปัจจัยสี่ก็พอแล้วอย่าไปสร้างภาระให้มากไปกว่านั้นเอาเวลานี้มากำจัดกิเลสตัณหามาปฏิบัติธรรมมากำจัดความทุกข์ในใจเราจะดีกว่าคำถามข้อที่สองค่ะถ้าทำบุญให้แฟนแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรเขาจะถึงหรือไม่คะคือเจ้ากรรมในเวรนี้เราต้องแผ่ตอนที่เจอเขานะ เช่นเจอคู่คู่อริของเราเนี้แทนที่จะไปเบื้อเตงก็ซื้อขนมไปฝากเขาเนี่ยพี่เอาขนมมาฝากวันนี้นี่เรียกว่าแผ่เมตตาให้เขามีความสุขไม่ใช่นั่งสวดมนต์แล้วก็สัตเพสัตตาเวลาหฝนตกขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเขาไม่รู้หรอกตามที่เราแผ่ต่ังนั้นเราต้องแผ่ ด, ด้วยการกระทําเวลาที่เราเจอเขาเนีย่ยนี่เรียกว่าแผ่เมตตา ส่วนการอุทิศบุญนี้ก็คือการแบ่งบุญที่เราได้ได้ทำไว้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วอันนี้เราทำเราเราแบ่งได้แบบไม่ต้องเจอตัวเพราะเราไม่สามารถจะติดต่อกับเขาได้เพราะเป็นดวงวิญญาณ แ, แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามารอรับบุญนี้หรือไม่ปกตินี้การจะอุทิศบุญนี้ต้องมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกว่าเขาต้องการเช่นเขามาเข้าฝันเมืออะไรอย่างนี้ ว่าเขาทุกข์ยากลําบากแล้วเกินอยากจะให้เราช่วยเหลืออย่างนี้เราก็ทําบุญแล้วก็อุทิศไปได้แต่ถ้าตามปกติไม่มีสัญญาอะไรเราก็ทําเผื่อไว้เท่านั้นเองส่วนเขาจะรอรับหรือไม่นี้ก็อยู่ที่ว่าเขามีบุญมากบุญน้อยถ้าตัวเขามีบุญมากเขาก็ไปเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญผู้ที่มารอรับส่วนบุญก็พวกเปรตนี่ไงพวกที่โลภมากะ ได้เท่าไหร่ก็เก็บไว้หมดไม่ยอมแบ่งให้คนอื่นพอตายไปเลยไม่มีบุญเพราะไม่ยอมทําบุญเสียดายเงินเสียดายของตายไปก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยหิวโหวยก็เลยต้องมารอรับบุญคือความอิ่มจากผูดที่ได้ทําบุญแล้วข้อที่สามเจ้าค่ะ สามสิบหกภภูมิแบ่งได้อย่างไรคะสิบห้าชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิ น, น, นที่ได้ยินมาถู ก, ห ร, กหรือไม่เจ้าคะถามดูถามถามก <laughs> ูเกดูดีกว่าเรารู้แค่ตายพแค่นั้ ร, รู้แบบ <laughs> มันจะละเอียดกว่านะั้นเราไม่รู้แหะแต่เ็ามีแบ่งชั้นอยู่คำถามจากคุณออนกัญญาทาง a ฟ e b o ๊ k ค่ะ การทำสมาธิจะทราบได้อย่างไรเจ้าคาว่าจิตรวมจิตรวมเป็นเช่นใดเจ้าคาก็เหมือนเวลากินข้าวนี่จะทราบได้อย่างไรว่าอิ่มหรือไม่อิ่มกินเข้าไปจนกระทั่งกินไม่ลงมันก็รู้ว่าอิ่มเองพุโทโธไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหยุดพุดโทโธแล้วจิตมันอิ่มมันสุขมันสบายมันก็รู้เองมันเป็นสันติโกอันนี้สิบ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเห็นพูดไปแล้วเดี๋ยวก็ไปนั่งคิดนั่งพอมัน พอมันไม่ได้เป็นก็ามาปรุงต่างขึ้นว่ามันเป็นขึ้นมาแล้วก็ไปหลงว่าเป็นเพรนั้นปฏิบัติไปแถอถ้ามันจากหิวโหยมาอยากวุ่นวายใจมาสงบมันจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชาัดเจนคําถามจากผู้รับฟังหน้ากุติคะ่ะเมื่อร่างกายมีเวทนามากๆตัวเย็นเห็นความเจ็บปวดจนสติขาดเกิดความดับมืดไประยะหนึ่งนานพอสมควร แล้วได้ยินเสียงเรียกสติกลับมาขณะนั้นจิตอยู่ที่ใดคะจิตก็อยู่ที่เดิมจิตไม่ได้ไปไหนหรอกจิตเพียงแต่ว่าไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆในช่วงนั้นเพราะสติไม่มีเหมือนคนนอนหลับก็ได้คำถามจากคุณดวงเดือนคะ่ะการอนปัจจัยไปร่วมทาบุญตามวาัดหรือสถานที่สำคัญหรือถวายพระภิกษสุษสงฆ์สามเณรจะมีอ น, นิสง์อย่างใดบ้างเจ้าคะ ก, ก็คือความอิ่มใจสุขใจที่จะเป็นสวรรค์ต่อไปเวลาตายไปแล้วมีจะมีแต่เรื่องราวดีๆให้เราได้เสดในเวลาที่เราตายคำถามจากคุณอติวัติค่ะดิฉันได้ฟังธรรมพระอาจารย์ทุกวันและปฏิบัติตามอยู่ที่บ้านกราบถามท่านค่ะว่าสมาทานสินแปดกับสินอุโบสถต้องว่าอย่างไรและปฏิบัติเหมือนกันหรือไม่เจ้าคะ่ะ เหมือนกันศีลแปดกับศีลอุโบสถนี่เหมือนกันต่างกันตรงที่รักษาว่ารักษาที่ไหนโดยประเพณีของชาวบ้านเขาเวลาเขาจะถือศีลแปดเขาจะไปรักษาที่วัดกันพระก็เลยจัดให้ไปอยู่ในโบสถ์ไปนอนในโบสถ์เพราะที่นั่นเป็นที่ไหว้พระส่วดมนตที่นั่งสมาธิที่ฟังเทศน์ฟังธรรมพอเสร็จกิจกรรมอันนี้ก็ให้นอนในโบสถ์ไปเลยก็เลยถือว่ารักษาศีลในอุโบสถ โบดก็คืออุโบสถก็คือโบดนี่เองก็เราเรียกว่าศีลแปดที่รักษาที่วัดเป็นอุโบสถศีลแต่ถ้าเราลักเร า, เราสมาทานศีลแล้วเราไปรักษาที่อื่นล้วก็เรียกว่าศีลแปดอัฏฐศีลลเหมือนกันเป็นศีลแปดเหมือนกันทุกข้อเหมือนกันหมดไม่ต่างกันอันนี้สงที่ได้ก็ไม่ต่างกัน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะมีวิธีอย่างไรที่จะสอนใจไม่คิดกังวลในอนาคตเจ้าคะถ้าคิดก็คิดถึงความตายเนี่ยมันก็จะอยู่แดงคิดแต่พอคิดถึงความตายมันก็ไม่รู้จะคิดไปทําไมเดี๋ยวกูก็ตายแล้วนี่มันเริ่มตายมันก็เลยคิดกังวลกับเริ่มนั่นคิดกังวลกับคนนั่นคนนี้เดี๋ยวพอคิดว่าคนนั่นก็ตายคนนี้ก็ตายเราก็ตายแล้วไม่คิดให้มันเสียเวลาทําไมใช่ไหมหัดคิดแบบนี้ดู ถ้าถ้ากลัวตายคิดไม่ได้ก็ใช้พุโทโธหยุดคิดก่อนลองพุโทโธพุทโธไปสวดอติปิโสไปก่อนคําถามจากคุณอาริสาค่ะหนูอยากพ่อพาพ่อแม่มาวาดัดมาทําบุญแต่ท่านไม่มาควรทําอย่างไรเจ้าคะจะชวนอีกหรือว่าแล้วแต่ท่านเจ้าคะก็บอกท่านได้เวลาเรามาวัดก็หนูจะไปวันน ะ, ะก็พูดแท่นั้นถ้าก็อยากไปก็ไปด้วยไว้ก็ ก็มาถ้าเขาไม่อยากมาก็อย่าไปบังคับเขาคำถามจากคุณวันวิมลค่ะวิธีคิดว่าเวลาเกิดทุกข์เกิดจากวิบาทกรรมเกา่าเพื่อให้เราทำใจแล้วก็เกิดสติบางทีสติก็ไม่มาจะทำอย่างไรให้ร้าจากทุกข์ได้เจ้าคะทุกข์มันเกิดจากความอยากของเราเช่นพอเราไปเจอคนไม่ดีเขาด่าเราเราก็ทุกข์ขึ้นมา พะเราอยากจะให้เขาดีกับเราอยากจะให้เขาพูดดีๆกับเรานั้นถ้าเราหยุดความอยากให้เขาพูดดีได้เขาจะพูดไม่ดีเราก็จะไม่ทุกข์เรามาแก้ที่ความอยากความทุกข์เกิดจากความอยากของเราคำถามจากคุณนิชนันค่ะกลับเดินถามพระอาจารย์ว่าอา น, นิสงส์จากการทำสมาธิกับการสวดมนต์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ มันก็มันเดียวกันนะคือสวดมนต์ก็ให้ใจสงบนั่งสมาธิก็ให้ใจสงบมันจะต่างกันที่มันสงบมากสงบน้อยสวดมนต์นี้มันจะสงบน้อยกว่าการนั่งสมาธิถ้าจิตสงบนิ่งนี้มันจะสงบมันจะสุขมันจะสงบมากกว่าการสวดมนต์ตอนนี้ยังไม่มีคําถามเจ้าค่ะหลวงพ่อเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีมีใครอยากจะถามอยู่ไหม ถ้าไม้มีไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะเดี๋ยวาที่หน้าหยุดสี่วันมีแสดงทำตั้งแต่วันพระรหัสไปพระรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันพระรหัสเป็นวันพระวันที่วันศุกร์เป็นวันหยุดชดเชยพิเศษวันตุษจีนจะได้ไปเที่ยวกันสี่วันสะดวกจะได้ใช้เงินกันจะได้ทําให้เศรษฐกิจเคลื่อนไหวกันก็เลยหยุดวันตุษจีนเป็นวันหยุดราชการพิเศษซึ่งธรรมดา ถ้าเป็นธรรมดาจะไม่เป็นวันหยุดราช ก, การเพราะเห็นว่ามาัน ม, มาขั้นพอดีก็เลยมาเชื่อมกับวันเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยให้หยุดจะได้มีวันหยุดยาวจะได้ไปไหนไกลๆได้อย่างนั้นอาทิตย์หน้าก็ยังมีอยู่สี่วันด้วยกันไม่ได้มาเองก็อยู่ที่บ้านก็ส่งคําถามเข้ามาได้แล้วนอกจากนั้นคืนวันอังคารคืนวันพุธก็สองทุ่มก็จะมีการสนทนาธรรมผ่านทางซูมใครใช้ซูมเป็น ก็ไปใน Facebook พระอาจารย์สุชาติ2องทุ่มก็สามารถดูดูถ่ายทอดสดการสนทนาธรรมทางซูมได้ถ้าอยากจะถามคําถามก็ต้องมีซูมมีมีแอปซูมก็เข้าไปได้เข้าไปแล้วก็สามารถถามคําถามได้อันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อกับผู้ที่อยู่ไกลที่อยากจะไม่สามารถมาที่นี่ได้แล้วอยากจะถามคําถามอะไร อีกยาวนะเนี่ยคั้งต้งสามชั่วโมงอย่นีกว่าจะจบเพราะคนแต่ละคนก็มีคาถามเข้าคิวกันถามกันถามแล้วก็ต้องตอบถามตอบคุยกันไปกว่าจะเลิกก็เกือบห้าทุ่มอันนี้ก็สูงวันอังคารก็มีเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็ให้ชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษเกินวันอังคารก็เป็นภาษาอังกฤษเกินวันพุธก็เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษนี้ให้เก็บสถิติไว้ตอนนี้มีประมาณสามสิบแปดประเทศวันที่เข้ามาจากประเทศต่างๆมีประมาณสามสิบแปดประเทศด้วยกันของไทยเราก็ต่างจังหวัดก็มีตอนนี้เก็บได้แค่แปดจังหวัดแต่ที่ว่าต่อไปก็คงจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนยังไม่ได้เก็บสถิติเพิ่งเก็บเมื่อคราวที่แล้วก็เราเอามาเล่าให้ท่านฟังทั้งหลายว่าท่านสามารถที่จะติดตาม ฟังเทศฟังธรรมหรือสนทนาธรรมถามถามตอบคำถามได้สดสดร้อนๆนะนอกจากนั้นก็ยังมีของเก่าให้ดูใน Facebook ก็ได้ใน YouTube ก็ได้แต่มาดูได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ